ลองนั่งอีกทีมันจะไม่มันจะไม่มไมมไมค่อยเมื่อยลองหมุนดูนน ะ, ะมันสูงหน่อยมันจะเอ้หมอนรองหมอนรองกระโดกเนี่ยมันจะช่วยหมอนรองกระโดดนี่แพทย์บอกเรื่อยได้นะมันจะช่วยรักษาให้หมอนรองกระดูดแล้วขามันจะเบาขึ้นของเข่า นีมีเดินหนุนมานต้งนานตง้งถี่ะอันนี้หนุนไดหน่อยเป็นไงนั่งขนาดดีไหมนั่งไงถึงถนาดดีต้องดูนะสังเกตดูรู้สึกสบายไหมน่าขยับก็ได้นะขยับให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยเคามารู้ตัวรู้อย่างนี้นะเนี่ยปฏิบัติธรรมะรู้อย่างไงไม่ใช่ต้องไปทําอะไรนะเนี่นั่งตัวตรงหรือนั่งตูวงอสังเกตดู เกรงก็เบาสังเกตดูต้องสังเกตดูของเกรงนั่ถ้าไม่เกรงเบาเลยถ้าเกรงเลื่อนลงเดินได้สะดวกหายใจเข้าอ่อนเป็นไงพอโป่งดีไหหายใจเข้ายาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆดูความรู้สึกของเราเป็นไงรู้สึกสบายหรือไม่สบาย ร bon ug, been, on, ote, ู้สึกอัดอันไหมโป่งเบาไหมหายใจยังไงถึงมีความรู้สึกโปงเบาดีปอดโปร่งดีร่องอกร่องใจดีเบาเนื้อเบาตัวดีเนี่ยก็ต้องรู้จักเองแหะต้องให้รู้จักอย่างเนี้เนี่ยอย่างนี้รู้ทำอะดูทำอะหรือศึกษาทำอะหรือศึกษาที่ตัวเราเนี่ยศึกษาความรู้สึกนึกคิดของเรานี่ศึกษากายใจของเรานี่แหละ ยืดหลังยืดเอวสบายก็เป็นไปเพื่อสะบายนะใจเราก็จะดีขึ้นลายเราก็จะดีขึ้นไม่อ่านไม่กัน้นมันจะเบาสังเกต ด, ดูเฉยเฉยสังเกตอ่านจิตอ่านใจของเราหรือศึกษาจิตใจของเราสังเกต ด, ดูจิตใจของเราเดียวกันดูที่มันเป็นยังไงที่เราเคยดูไหมองสังเกต ด, ดูตั้งใจดู เรดีขึ้นไหมต่างกัน mai, ไม่เรารู้กับไม่รู้มันจะไม่เห í, มือนกันยังไงรู้สึกสงบไหมความรู้สึกสงบไหมเนี่ยมีแค่รู้เยอะยังไงความรู้สึกดีก็ดีเย็นรือร้อนอัดอั้นหรือเบาต้องเคยสังเกตดูนะร่างกายมันรู้ได้มีรู้กายรู้ใจรู้ได้ไม่ใช่เราต้องรู้ถึมันจะเป็นพระะรู้เองอะรู้ได้สังเกตดู คำว่าสติสติกปลว่าคอยระลึกระลึกรู้ใช้คําว่าระลึกรู้ระลึกระลึกรู้อันนี้เองระลึกรู้สึกตัวนั่นเองระลึกรู้หรือรู้สึกรู้ความรู้สึกหรือรู้ความรู้สึกของเราเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกยังไงสงบไหมมีความคิดความเห็นไหมไม่ต้องมีได้ไม่ต้องมีความคิดความเห็นเราจะควบคุมได้ เป็นไปเพิ่มไม่ต้องมีความคิดความเห็นใจก็จะเฉยเฉยแลจะพักถ้าไม่มีความคิดความเห็นความรู้สึกจะได้พักความรู้สึกก็พักอยู่หยุดอยู่ไมหายใจเข้ายังเห็นอยู่หายใจออกก็ยังเห็นอยู่ไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปจ้องรู้ได้เฉยเฉยความรู้สึกก็เฉยเฉย ดูที่มียินดียินไลต้องดูให้ต่อเนื่องไว้ดูให้ต่อเนื่องตามดูตามรู้อย่าลืมอย่าให้มันเผลอดูเคยประคับประคองรู้วันนี้ไปดูยังไงสนะงบไหมตามรู้สึกได้พักไหมพักมันจะเฉยเชมีอะไรไหม มียินดียินไล่ไม่มีต้องการไม่ต้องการมีอย่างไม่ยากหรือจิตใจหมกมุ่นเกาะเกี่ยวกับอะไรหรือผูกพันกับอะไรนี้ไหม <S <S อย่างนี้เรีกวอิสระเลยนะจิตใจอิสร ะ, ะ <S 1> <S 1> อิสระจากาอะไรนั่นหมายถึงจิตใจไม่ไปหมกมุ่นไม่ไปเกาะเกี่ยวผูกพันกับอะไรนั่นเรีกวจิตเป็นอิสระนี่แหละเธอไม่มีทุกข์ถ้าเราเรารู้จักอันนี้เนี่ยเดี๋ยใครรู้จัก ไม่ใช่ไปทําอะไรจริงๆคุณเจ้าตัดสรู้รู้จักอันนี้ทั้งมารู้อย่างนี้ไม่ใช่ไปทําถ้าไปทําแล้วมันไม่ใช่มันจะตา่างกันมันจะหนักนี่เราไม่ต้องทําำจะเป็นเองเนี่ยตาดูหูฟังดูอะไรก็ได้ตรงเงยหน้าน่ะไม่ต้องเทงคอตั้งตรงไม่ต้องหลับตาได้เราเริมตายยังเห็นไหมพิธีนี้ไม่ต้องหลับตานะ อย่าไปก้มหน้าทีต้องลงเนยนิดลงมองมองตรงๆที่ตาเห็นความรู้สึกเป็นไงสบายอิสระไหมว่างมีอะไรฮะ ม, มันไม่มีอะไระจิตก็ว่าเนี่ยพอมารู้น่ะถ้ า, าเห็นพ่อชี้ให้ดูเนี่ยถ้าเห็นได้มันจะว่างแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยอิตเขาสอนเงินดีบอกให้ทําจิตว่างทาจิตให้มันว่าง หรือให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่างนี้เขาจะปล่อยเองเขาจะวางเองเขาไม่ก็ไปปล่อยแล้วไม่จังไปวางเขาปล่อยเองเขาวางเองเห็นความปล่อยความวางไหมเยอย่างนี้ถ้าพูดว่าให้รู้จักความปล่อยควางวางไหมรู้รู้อย่างนี้ที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ติดมันก็ไม่ยึดอะไรอันนี้ให้เรารู้จักดูให้ต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆให้เชื่นเชื่อนนี้เรื่อยๆ ตอนนี้ไปอยู่กับธารกับงานมันก็ไม่ติดไม่ยึดใจแล้วก็ว่างโปรเบามันจะเบาอย่างไม่ทุกข์จะไม่มีปัญหามันจะไม่หนักอกหนักใจมันจะเบาอกเบาใจมันจะรู้อะไรเป็นอะไรมันจะรู้อะไรเป็นอะไรด้วยู้แล้วมันก็แล้วมันมีค้าปล่อยความวางมันรู้แต่มันก็ไม่ติดไม่ยึดรู้แบบไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันไม่เกาะเกี่ยวไม่หมกมุ่นจิตเป็นอิสระ อต่นี่เราใช้เวลาหน่อยทียังไม่เป็นต้องดูเรื่อยๆต้งขับมาดูตรงนี้ให้รู้จักตรงนี้เรียกว่าภาวะเดิมเนี่ยภาวะเดิมของเราเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ยเข้าถึงควาพุทธะพุทธะคือสะาสว่างสงบดูดิสะอาดไม่มีอะไรไม่มียินดียินร้าต้องการไม่ต้องการมีอยากไม่อยากก็ไม่มีดูอะไรก็ดูเฉยๆฟังก็ฟังเฉยๆ ขณดูอะไรตาดูอะไรหูฟังอะไรก็ยังเห็นจิตใจแล้วก็เฉยเฉยไม่มีหรือเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่มีอะไรนี่เราต้องฝึกให้รู้จักตรงนี้เนี่ยภาวะเดิมมันว่างไม่มีทุกข์อยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปละอะไรเลยเขาละเองเขาไม่ต้องละอะไรอ่ะพอมันรู้ตรงนี้มันไม่มีอะไรไม่ต้องมาลอะไร นั้นเราต้องเคยรู้เท่ารู้ทานจิตของเราเวลาเราไม่รู้เราเขอมันจะเคยชินกระทบสัมผัสก็จะเกิดมียินดียินรอย่างนี้เราดูตรงนี้ให้รู้จักแล้วเราจะรู้อ๋อเวลากระทบเราเวลามากจงดูที่นี้พอเห็นไหมนะพอเราเขอนี่ไม่รู้จักอันนี้มาาันจะมียินดียินรหรือต้องการไม่ต้องการขึ้นมาหรือหงุดหงิดลำคาพอเห็นมีหงุดหงิดลำค า, าเยอะแล้วขับมารู้ตรงนี้มันก็จะปล่อย หายใจเข้าวิธีดีที่สุดหายใจเข้าหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆก็ดูไปไงรู้สึกสบายไอดโปรไหมไม่ต้ไปทําอำไปไงรู้สึกผอนโปรไหมอัดอ้างหรือเปล่าเก่งหือเก่งโตหมากรุยทรู้ใจยอย่างนีมันก็จะว่างอีกแหละแต่ไม่จะไปทํามันมันว่างนะพอมารู้อ ย, อย่างนี้มันจะว่างผลอกอกมาจะว่างอันนี้ก็ต้องฝึก ดูบ่อยๆหัดบ่อยๆหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเองแหละมันเป็นโดยอาจจะโนมน้ามันไม่ต้องนะอันนี้ยังไม่เป็นมาฝึกก็ต้องดูไว้ที่นี่ยังมีการเคลื่อนไหวหรือสร้างยังวะหรือเดินจงกรมด้วยเพราะาฝึกดูอันนี้เป็นงไงเรานั่งอยู่เป็นไงปวดมือยไม่ปวดเมือยขยับแขนขยับขาให้ปัญหาปวดมือเนี่ยความสุขก็ อ, อยู่ตรงนี้แหละ คอยที่คายพรคา ย, คายดูคายดูใจเอาเถอะคายเยอเถอใจดูมันคองแคลงไว้มันกระปี้กระเป่ามันจะไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายไม่ไม่ไปจมอยู่อะไรตื่นความรู้สึกมันตื่นเห็นความรู้สึกตื่นนะไม่ใช่เราตื่นความรู้สึกมันตื่นมันมีชีวิตชีวานะ หายใจไงหรมีชีวิตชีวาหายใจไงตืนอนอกตื่นใจดีตือนเนื้อตือนตัวดีกระปีก้กระป่าล่าเริงนันลาเริง เ, เ, เบิร์บานาายันไซด์เนี่ยพุทธศาสนาอยู่ตรง น, นี้คนเราถ้าเกิดมาถึงนับถือพุทธศาสนาถ้าไม่เห็นตรงนี้ยังไม่รู้จักพุทธศาสนามีแตกราบมีแต่ไหว้มีแต่กกบูชากบูชาไปถะนะทำบนศูนย์ทางแล้วก็ทำไม่ถึง ม่เด็เดจะรักษาเศนถือเ้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็อย่าถือยังไม่มียังไม่รู้จักพุทธศาสนาใ้พุทธศาสนาก็หมายถึงพระพุทธคือสะอาสว่างสงบหรือความรู้ของของความสะอาสว่างสงบนั่นนี่ใช่ไหมหรือคําศาสตร์เนี่ยศ า, าสาศ อาสนะเป็นความรู้เป็นเรื่องของความรู้ของของจิตใจละให้มารู้จิตรู้ใจรู้กายละแล้วลเราถึงจะพัฒนาได้หรือเรียกว่าทําจิตทําใจได้มันเป็นไปไงก็ได้พอเห็นอันนี้แล้วก็อยาให้เป็นไปไงก็ได้ไม่ใช่ทาให้เป็นไปยังไงก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ไปบังคับเมื่อพรารู้ตัวเอง รู้ผ่านรู้สึกเห็นผ่านรู้สึกเป็นไงให้มันโป่งเบาไงก็รู้ได้นี่เป็นไงถึงจะโปร่งเบารู้ได้เป็นไปว่างังไงไม่มีอะไรแตดีนะอิสระเป็นไงเห็นได้ไหมฮะได้ได้นะดีดีดีเอามือวางหัวเข่าไว้ดูไว้นะเรายังเห็นอยู่ดูหลวงพ่อท่านนี้นะขึ้นมือขวาตั้งขึ้นยกขึ้น ยังไงยังเห็นควารมรู้สึกขอเราอยู่นะทำชใจชาเทงมาที่ท้องให้ตังเป็นนิ่เรื่องมือฟ้าไม่ที่หนา้าอยงไงยังเห็นควารมรู้สึกของเราสบายปองเบาไม่อันไม่กังไม่เก้งเนื้อเก้งตัวถ้าธรรมดามันจะอันมันจะกัง ที่ทองที่สะดือเลยนะนะทำมือฝาเื่อนมือฝาลูบไม่ให้เด็ดหน้า อ, อกไปเลยอยากอย่าให้ออกห่งางค่อยๆลกบมาที่เบาๆที่หน้าอกนะแล้วที่จริงเราทำอย่างนี้ก็เพื่อ ใ, อให้เรารูา้ความรู้สึกมันจะได้ไม่ลืมความรู้สึกแม่งั้นเถอะนั่นเรเรียกว่าฝึกสติ เนี่ยอาศัยความเคลื่อนไหวเนีย่ยเราพึกมีอย่างนี้ น, นี้เรารู้ได้อย่างนี้ขมานี้ก็รู้ได้อ่าหายใจเข้าออกเราก็ยังรู้รู้ได้ยังไงจิตใจในเกรงเนื้อเกรงตัวไม่อันในการก็รู้ได้โงงเบาก็รู้ได้เป็นไเปเพื่อโงงเบาเ น, นี่ยให้เรารู้จักอย่างนี้ต้องขยันดู เนเื้อเตือนตัวดีถ้ามีความเตือนเนื้อเตือนตัวมันก็ไม่เบื่อไม่เซ็งไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหนายจะไม่มีอะไรเนี่ยไม่ต้องมีความรู้สึกพอเราเอามือไปเอามือมานะมาดูนี่ให้เครื่อนไหวดูทีให้กายก็ให้มือแข็งก็เคลื่อนไปเฉยๆอย่างนี้ ธรรมดาขอเราไม่รู้จะเป็นเราเป็นเราต้องเคลื่อนไหวเป็นเราต้องเอามือไปเอามือมาเป็นเรารู้สึกนี่เราเห็นความรู้สึกเห็นความเคลื่อนไหวเห็นอาการนี่มันเป็นเพียงอาการเท่านั้นอาการเคลื่อนไหวไปนี่ถ้าเป็นเราทําเป็นเรารู้สึกเป็นเรารู้สึกเราต้องทําอย่างนี้เอามือไปเอามือมานี่ไม่ถนัดมันจะเป็นภาระทางจิตรู้สึกเราต้องต่อมาเอามือไปเอามือมาอย่าเป็นพระ นั่นจะเป็นทุกข์แล้วไม่ว่างแล้วนี่เป็นไปเพื่อว่านี่เราฝึกนี่รู้จักเราไปอยู่กับการกับงานได้หมดเลยอยู่กับอะไรเนี่ยมันจะเบาเนื้อเบาตัวเบามือเบาแขนเบาแบาข้งเบาขาเหมันเบาไปหมดอะทาอะไรแล้วมันจะไม่เบื่อนะมีความสุขคือไม่มีทุกขนะ์นะนะ สบายสบายกายสบายใจกายมันสบายใจมันสบายเห็นเห็นความรู้สึกนเห็นความรู้สึกมันสบายไม่ใช่เราสบายนะเห็นความรู้สึกเนี่ยอย่างนี้เรากาเห็นธรรมเห็นธรรมชาติหรือเห็นภาวะธรรมไม่ใช่เราแต่จริงๆไม่มีเรามันเป็นเพลงภาวะทําเป็นอาการเราเห็นอาการอย่างนี้ธรรมดาเราไม่ดูยังไม่รู้จักเป็นเราอะเป็นเรารู้สึกไปหมด นัะทุกอยู่กับทุกอยู่กับทุกไปกับทุกน้อยกับทุกถึงจะมีความสุขก็ยังเป็นตัวเราอะเป็นเรารู้สึกเรารู้สึกสงบเรารู้สึ ก, สกไม่สงบเรารู้สึ ก, สกมีความสุขเรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดตะไ อ, อ, อย่างนี้ในนี้ถ้าเราเห็นแต่ถึงมันมีก็แสดงว่เาเราเขอไปแนละ้วมันไปตรุงแต่งมันไปคิดนึกมันปรุงแต่งแล้วเราเขอะไปมันก็เคยชินใช่ไหม พอ เ, เห็นอะไรถูกใจไม่ถูกใจอย่างนี้มันจะงุดหงิดจะลำคางหรือเกิดโลภหรือเกิดยินดียินร้ายหรเกิดโทสะเกิดโมหะหรือเกิดโลภะอย่างนี้เรียอเราเห็นความเกิดมาเรียนรู้จากชีวิต โอ้เนี่ยวิเศษที่สุดเลยคนเรานี่ถ้าเราเรียนรู้ชีวิตเนี่ยเกิดมาถึงวันเนียต้องรู้จักแค่ น, นี้แล้วเราจะไม่สงสัยว่าเนี่ยเกิดมาทำไมดูไปเรืเร่อยๆแล้วเราจะรู้จักว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วได้อะไรเราจะมีคำตอบ เบามือเบาแขนเนี่เสียกำลังแขนร่างกายก็ไม่เกรงเนื้อเกรงตัวมันไม่เปิดมื่อเปิดมือขยับนิ่ก็หายแล้วได้นะได้บางไม่ได้มั่งแต่ให้รู้จักแล้วกันดูอันนี้บางทีมันจะเคยจะเผ่อไม่เคยจะหลุดจากอันนี้นะถ้าเห็นความรู้สึกตบข้าศึกออกคอเคยรู้ไว้ถ้าไม่เคยเห็นอันนี้มันจะตกเห่อับข้าศึกคอ ถ้าไมประภาพเขาไม่ดันเห็นตาเราดูปุ๊บลืมแล้วรุดแอแล้วนี่ตาดูอะไรก็ยังเห็นอยู่หูฟังก็ยังเห็นอยู่ขเขาเียวรู้กายรู้ใจรู้นอกรู้ในเราจะดูข้างนอกข้างนอกเราก็รู้อะไรเป็นอะไรกายใจเราก็เห็นนี่ต้องอย่างนี้ทับรองไม่มีทุกข์หรอกอย่างนั้นเราเรียกว่ามีควาไม่ประมาณ มีสติสามมาสติมันเป็นความปล่อยความวางไม่ติดไม่ยึดเป็นคมว่างเราอยู่คามว่างคนทุกคนภาละมันไม่มีทุกข์มันไม่มีภาละนั่นเลยยิ่งกว่าสุขนั่นกลยเร็ยกว่าสุขเห็นไะมันงดูที่ความรู้สึกไม่มีภาละความรู้สึกไม่มีภาละนะถึงเราจะสร้างจิตวิบาะก็ไม่มีภา หายใจเข้าออกก็เป็นธรรมชาติล้วนๆความรู้สึกล้วนๆหรือจิตล้วนๆนี่เห็นภาวะทําเป็นอย่างนี้นี่แหลเรียกว่าวิปัสสนาล่ะเนี่ยให้เกิดปัญญาอย่างนี้รู้อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าเกิดปัญญาหรือเกิดยานปัญญาเป็นยานนะอ่า นี่ขั้นสูงสุดของพุทธศาสตร์ศาสนาเลยนะคำว่าที่เรารู้เห็นคารู้สึกนี่น่แหละเรียกวิญญาณพอเห็นมันวาดโบงเบ้านั่นคาว่าญาณเนี่ยอาสวะขัดย า, ยานแปลว่าสิ้นไปซึ่งอาสวะพอมารู้อย่างนี้มันสิ้นมันเกี้ยนเลยมันไม่มีเลยกิเลสตัณหาอะไรต่างๆมันไม่มีเลยพอมารู้นี่มันหมดไปเลยนะี่เรียกว่าสิ้นไปซึ่งอาสวะ ถ้าเกิดยานนี้มันจะสิ้นมันจะหลุดมันจะพ้นเขาเรียกว่าเป็นพามหลุดพามพ้นแล้วเมื่อเห็นพามันนี้แล้วเนี่ยบางทีเรายังใหม่ๆเนี่ยพอมันเห็นอะไรอะไรแล้วมันจะเบื่อหนายมันจะเบื่อว่าโอ้ก่อนเราเคยไปหมกบ้วนไปเกี่ยวข้องกับรอะไรมันจะเกิดความเบื่อโอ้มันจะเห็นอะไรมันจะมันจะเบื่อนะมันจะไม่อยากจะไปยุ่งอะไร มันจะจืดชื่อไปหมดถึงจะเกี่ยวข้องดัาอะไรแล้วมันก็จืดมันไม่มีรสชาติ <c oughs> และส่วนาวามากคนเราไม่รู้มันก็หมกหุ้นเกาะเกี่ยวขูกพันกาวมัวเมาอยู่กลางอะไรอะไรอย่างนี้นชีวิตถึงไม่เป็นอิสระถูกมอมเมาถูกยอมถูกมอมเมาเนี่ยพารุณเกลี่ยน ด้ไหม น, น, นี่นะพอเห็นได้แล้วกันให้รู้จักนี้เลยเราอย่ายลืมต้องใครเน้นอย่างนี้บางที่เราลืมอ่ะบางันก็เพลินไม่เห็นนะมันไม่เห็นอันนี้นะถึงบางครั้งเราก็ไม่ก็มีความสงบเราไม่ทุกข์แต่ไม่เห็นอันนี้ถืถอว่าหลงนะต้องเห็นต้องสังเกตตาดูอะไรยังเห็นอยู่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหววิธีเห็นดิ อันนี้เป็นการยามเป็นการเน้นทีหนึ่งทีนึงรู้อยู่ยังเห็นความรู้สึกแต่ไม่ใช่ไปข่มหรือบังคับนะเป็นไปเพื่อเบาๆไม่อันใน่กา้นเนี่ยมันจะเบาแหะถ้ามีความรู้สึกว่าอัน้นกั้นมันจะหนักเนี่ยดีแล้วเนี่ยนะหรือว่า มีบุญบารมีขนานสามามุ่งที่มาปฏิบัตินี่ละโมทนาหน้าโมทนาสาธุเนี่ยอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นสาธุชนแล้วเนี่ยกายปีหมายสวยมากเขาจะไปเที่ยวกันเขาไม่มาหรอก่ะไปเที่ยวกันหมดเลยแล้วนหลังทีก็ตายกันไม่ว่าเท่าไหร่นะ แต่ก็ไม่ได้ตายทั้งหมดหรอกแต่ก็มันตายกันเยอะอะเป็นล้านๆอย่างเนี้ใช่ไ ห, ไหม <c oughs> ก็ต้งหีตายมัง่งบาดเจ็บมัง่งขับรถไปแล้วรถพันมัง่อองอะไรต่างๆโอ้สารพัดปัญหาเนี่ยผมรู้จกักแค่นี้แล้วไม่อยากไปไหนหลวงพ่ อ, เ, อเงินมากองให้อํานวยมาจ้างให้ตายก็ไม่ไปเ น, <c oughs> นี่ยอี่างดีเขาถามบางทีมี อยากิปทำถามมาบอกเนี่ย ป, ปีใหม่จะไปวะลมเอ้คเท่เปล่าบอกัไม่ไปอ่ะอยู่ที่นี่สบายความรู้สึกอยากจะไปไหนไม่น่ะมันไม่มีนี่ลงไป้วต้องหมอนักนะกรมพาวันที่สิบสองหมอนักเจาะเลือดก็ไปดูอีก เนี่ยมันดูแลร่างกายของเราเนยอย่างนี้เรารู้กายรู้ใจเยเราก็จะรู้จักที่ให้มันเป็นไปไงถึงจะก็เป็นการบำบัดโรคโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะขี้คายออกไปเป็นการขี้คายโรคภัยไข้เจ็บถึงเป็นอยู่มันจะหายง่ายขึ้นถึงมันไม่เป็นมันก็จะไม่เป็นถ้ารู้อย่างนี้นะอย่างหลวงพ่อนี่เป็นมะเร็งมนีนะระยะสามระยะสนั่นนี่ ตอนนี้หายแล้วแต่ก็ยังมีเชื่ออยู่แต่นี่เเคยดูเคยขี้ขายคอยผ่อนคายอยู่เรื่อยๆเคยออกกำลังกายมัง่งบริหารกายมัง่งกินยาบัางอะารต่ออบ้างก็ลองนะมันก็ดีขึ้นต้องรู้อย่างนี้แต้วพอเราไม่รู้มันก็เครียดเครียดจ่างิน น, นานำมาซึ่งโวคไข้ใครเจ็บสารพัดโลก นะถ้ารู้อย่างนี้มันเป็นการบาบัดโรคฉันเป็นอะไรก็เป็นไม่มากในหลวงพ่อเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเพราะหมอก็บอกเป็นมากแต่ตัวเองยังรู้สึกมันไม่เป็นมากอะไรนะรู้สึกไม่เป็นอะ่ะแต่มันเป็นอะ่ะแต่เราไม่ไปทุกข์กับมันรู้สึกว่าได้ก็ยังรู้สึกสบายอยู่แต่มันไม่มีเรื่องมีแรง ทำอะไรไม่ได้แต่ก็มีความสุข